เสียงอ่านหนังสือเจวิธีตายอย่างสบายใจงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉก่อนที่จะได้ฟังเนื้อหาจากหนังสือจากคุณดังตรินในฐานะผู้อัดเสียงขออนุ ญ, ญาตกล่าวถึงหนังสือเล่มนี้สักเล็กน้อยนะครับหนังสือเล่มนี้หลังจากอัดเสียงและเปิดฟังระหว่างทํางานมานานพอสมควรก็พบว่าเป็นหนังสือที่เนื้อหาดีมากแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งสําหรับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนป่วยใกล้าตายอย่างที่เข้าใจกันและน่าเสียดายมากอาจจะต้องรอให้ใกล้าตายก่อนแล้วค่อยฟังเพราะอาจไม่มีเวลาตเตรียมตัวได้มากพอมราณานุสติเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและแนะนำให้มีอยู่ทุกลมหายใจของทุกคนให้หมั่นนำมาระลึกเสมอๆซึ่งส่งผลดีต่ อ, อการพัฒนาจิตในหลายด้านเป็นบุญใหญ่ที่ทาได้ง่ายในทุกวันทุกเวลา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 ซึ่งมีหลักฐานเอกสารมากมายที่พิสูจน์ได้ชัดและอีกเรื่องที่เด่นที่สุดก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์เอียนสตีเวนสันที่เดินทางทั่วโลกเพื่อพิสูจน์การกลับชาติมาเกิดแล้วสุดท้ายยอมรับว่าการกลับชาติมาเกิดมีจริงจากการเดินทางไปพบเจอเด็กเล็กจำนวนมากหลายร้อยคนที่เล่าถึงอดีตได้อย่างฉะฉานและถูกต้องบอกความลับในอดีตของตนเองที่แม้แต่ญาติในอดีตก็ไม่รู้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 ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมกันยิ่งย่งขึ้นไปนะครับด้วยความปรารถนาดีจากผู้บันทึกเสียงโจโฉมกราคมพุทธศักราช2558เสียงอ่านหนังสือเจ็ดวิธีตายอย่างสบายใจงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉ ว, วิธีที่หนึ่งเข้าใจให้ชัดว่า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 จะทำให้เกิดความฉลาดเลือกและแน่นอนว่าจิตที่ฉลาดยอมเลือกความสบายใจมากกว่าอาการห่วงกังวลอาจฟังง่ายเหมือนเอาคำปั้นทุบดินแต่ก็ได้ผลจริงคือดินยุบลงไปจริงๆที่ผ่านมาจิตของคุณมัวแต่พุ่งออกไปจดจอ่อกับบุคคลหรือวัตถุนอกตัว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 วิธีที่สามยอมรับความจริงความจริงเป็นสิ่งที่น่ายอมรับที่สุดเพราะอย่างไรมันก็ต้องเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งที่น่ายอมรับที่สุดนั่นแหละที่มนุษย์มักปฏิเสธยิ่งกว่าอะไรอื่นราวกับจิตใจห่อหุ้มไปด้วยเมฆหมอกแห่งการหลอกตัวเองหนาทึบยากจะปัดเป่าให้เบาบางลง เมื่อไม่มีอาการแข็งขืนเมื่อไม่มีความอยากให้เป็นอื่นการยอมรับตามจริงจะเกิดขึ้นและนั่นเองคือที่มาของสติที่บริสุทธิ์สามารถรับรู้ทุกสิ่งได้ตรงกับที่มันเป็นเคยได้ยินไหมว่าคนใกล้ตายไม่โกหกรู้ไหมเพราะอะไรเพราะจิตของคนใกล้ตาย ต้องการสติสัมปชัญญะเหนือสิ่งอื่นใดการคิดปั้นน้ำเป็นตัวให้จิตเพี้ยนในขณะใกล้ตายจึงไม่ใช่วิสัยปกติคนใกล้ตายเห็นสัจธรรมบางอย่างนั่นคือชีวิตทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกอยู่แล้วพวกเราถูกหลอกว่ามีพวกเราถูกหลอกว่าเป็นทั้งที่ไม่เคยมี และไม่เคยเป็นอะไรจริงๆสักอย่างทุกอย่างผ่านมาให้ดูเพื่อผ่านไปให้เสียดายหรือไม่ก็ผ่านไปให้โล่งใจเล่นแป๊บๆเท่านั้นวันแห่งความตายคือวันแห่งการเปิดเผยความจริงทุกสิ่งจะหลุดจากกำมือของเราไปประโยชน์อะไรกับการพยายามพูดโกหก ปันเรื่องเท็จซ้อนเข้าไปในเรื่องเท็จกันอีกการฝึกยอมรับความจริงที่ดีที่สุดได้ผลแรงทันใจควรเริ่มกันที่การบอกความจริงในทางที่ดีที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะกับคนข้างหลังลองตั้งต้นจากคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงท้ายๆเริ่มคิดถึงสิ่งที่คุณหลอกเขาไว้ หรือสิ่งที่คุณยังการรเป็นความลับที่ทำให้เขาเสียประโยชน์และพูดความจริงให้เขาฟังจะพบว่าคำจริงที่หลุดจากปากคุณแต่ละครั้งคือการสลายม่านหมอกแห่งความหลอกลวงออกทีละน้อยจากใจคุณเองยิ่งยอมรับผิดมากขึ้นเท่าไหร่ใจคุณจะยิ่งเห็นความจริงที่ถูกต้อง ปรากฏชัดขึ้นเท่านั้นคุณจะพบว่าความจริงสำคัญสูงสุดที่ควรรู้ควรตระหนักไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าความจริงที่คุณต้องทิ้งทุกสิ่งไว้ในโลกและมนุษย์ทุกคนต้องตายคุณจะเห็นข้าวของรอบตัวถนัดชัดตาขึ้นทุกสิ่งเก่าลง และจะต้องปรูนแปรไปกว่านั้นอีกหากคุณไม่เคยยอมรับความจริงเหล่านั้นได้ก็จะพบว่าง่ายขึ้นหลังจากทยอยพูดความจริงดีๆออกไปเรื่อยๆก ร, ระทั่งเกิดพลังศัต จ, จะ์ย้อนกลับมาช่วยเป็นแสงสว่างให้คุณเห็นอะไรๆกระจางขึ้นการยอมรับความจริงย่อมทําให้ใจคุณสบายกว่าตอนไม่ยอมรับ ความจริงไม่เคยน่ากลัวสำหรับนักยอมรับความจริงเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ว่าก่อนคุณเกิดหรือหลังคุณตายระหว่างมีชีวิตไม่ว่าคุณจะเคยทำความจริงให้บิดเบี้ยวไปเพียงใดก็ช่างขอเพียงใช้เวลาช่วงสุดท้ายดัดมันให้กลับตรงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เถิด ผลจะเกิดเป็นจิตที่สบายของคุณเองอย่างไม่ต้องสงสัยวิธีที่สี่เผื่อใจให้กับการมีอยู่ของปรโลกการอยู่กับฉากต้นและฉากกลางๆของละครชีวิตจะไม่ช่วยให้คุณนึกถึงละครเรื่องใหม่ต่อเมื่อคุณอยู่กับฉากท้าย ใกล้จบนั่นแหละความรู้สึกเกี่ยวกับการเล่นและการชมละครเรื่องใหม่จึงค่อยๆผุดชัดในใจแม้ยังไม่อาจคาดเดา ว, ว่าเรื่องใหม่จะเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยคุณก็เลิกสําคัญสักทีว่าโรงละครโรงใหญ่แห่งนี้มีแต่เรื่องเดิมได้แค่เรื่องเดียวขณะใกล้ตาย เป็นช่วงแห่งสังหรณ์โดยเฉพาะสังหรณ์เกี่ยวกับพบข้างหน้าคุณจะเห็นว่าความรู้สึกที่เกิดเป็นปกติอยู่ในปัจจุบันนี้เองคือลางบอกเหตุชีวิตที่เหลืออยู่น้อยนี้เองคือรากของอนาคตอันจะมีขึ้นอีกมากยกตัวอย่างเช่นใจที่สงบจะชวนให้คุณนึกถึงแสงสว่าง และสภาพแวดล้อมหน้าเรื่นรมใจที่กระสับกระส่ายจะชวนให้คุณนึกถึงม่านมืดตลอดจนสภาพแวดล้อมชวนขนหัวลุกใจที่ครึ่งครึงกลางๆางเดี๋ยวสงบเดี๋ยวกระสับกระส่ายจะไม่ชวนให้คุณมั่นใจนักว่ากำลังจะต้องเผชิญกับอะไรกันแน่ ขณะยังมีชีวิตช่วงต้นและช่วงกลางถ้าไม่รู้ก็ถือว่าไม่ผิดถ้าไม่คิดถึงโลกหน้าก็อ้างได้ว่าต้องเอาเวลาไปทำประโยชน์อย่างอื่นแต่สําหรับช่วงท้ายๆการไม่คิดถือว่าประมาทเวลาที่เหลือของคนใกล้ตายจะเป็นประโยชน์อะไรได้มากไปกว่าเตรียมตัวพบกับอนาคตละ่ะ ขอให้คิดถึงการเดินทางไกลหากไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผลทางข้างหน้าเสียเลยก็อาจถือได้ว่าเป็นความผิดใหญ่หลวงยามใกล้ตายคนทั่วไปไม่มีใครกล้าอวดดื้อถือดีสั่งให้ตนเองเชื่อว่าตายแล้วตายเลยทุกคนจะหมดความทะนงหลงมั่นใจในความเชื่อของตัวเอง ไปพร้อมกับเรี่ยวแรงที่ถดถอยในเมื่อร่างกายที่เคยบัญชาให้เคลื่อนไหวตามใจนึกได้ก็กลายเป็นบัญชาไม่ได้อีกต่อไปนับราษาอะไรกับดวงจิตที่ปรวนแปลไปมาควบคุมไม่ได้อยู่แล้วขณะมีชีวิตเป็นปกติพอใกล้ตายที่ภาวะต่างๆผิดปกติใครละ่ะ จะควบคุมให้จิตใจหยุดเดินทางไปตามแรงขับเคลื่อนของกรรมได้ความเชื่อเรื่องตายแล้วศูนย์นับเป็นศรัทธามือดอันเกิดจากความไม่รู้จริงไม่เคยตายจริงผู้มีศรัทธามืดได้ชื่อว่าเป็นผู้ปิดใจการปิดใจจะทำให้รู้สึกขับแคบไม่อาจสบาย และไม่อาจหายสงสัยว่าเรื่องจริงหลังความตายคือการยุติหรือว่าคือการเริ่มละครเรื่องใหม่กันแน่ต่อให้เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิที่เคยตะล่อมหลอกเที่ยวบอกให้ใครต่อใครเชื่อว่าเกิดหนเดียวตายหนเดียวก็จะเกิดความไม่สบายใจกระวนกระวายเป็นอันมากเมื่อถึงเวลาได้พิสูจน์ความจริงกับตนเอง นั่นเพราะความจริงหลังตายไม่สนใจวาทะใครมีอะไรต้องแสดงก็แสดงออกมาหมดตามที่ควรมีควรเป็นยังน้อยการเผื่อใจเชื่อเรื่องหลังความตายจะลดแรงต้านลงได้มากการลดแรงต้านลงก็คือการไม่ต้องออกกําลังต่อสู้กับความไม่รู้ มันช่วยผ่อนคลายจิตใจให้สบายขึ้นได้จริงเลิกเถียงกับตัวเองเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีชีวิตหลังความตายอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดให้เห็นในไม่ช้าอยู่แล้วความเชื่อที่ขัดกับความจริงจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยไม่มีใครนำไปใช้ต่อสู้กับสัจธรรมได้เลยอีกทางหนึ่ง เมื่อเผื่อใจให้กับการมีอยู่ของชีวิตหลังความตายคุณอาจฟุ้งซ่านต่อเช่นชีวิตหลังความตายจะมีอะไรเป็นตัวกำหนดมีอำนาจชนิดใดมาบงการหรือวางแผนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แน่นอนว่าความฟุ้งซ่านดังกล่าวอาจทำให้กระสับกระส่ายไม่เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสำรวจเข้าไป ไม่เห็นความปักใจเชื่อเป็นเด็ดเป็นขาดเลยสักอย่างกรรมก็ไม่รู้จะเชื่ออย่างไรพระเจ้าก็ไม่รู้จะเชื่อแบบไหนอันนี้ขอให้เลิกคิดและทำอะไรสักอย่างถ้าสมัครใจเชื่อพระเจ้าก็สวดวิงวอนให้รู้สึกอุ่นใจเลยแต่ถ้าสมัครใจเชื่อกรรมก็อาจสวดมนเพื่อให้เกิดความสุขทางใจ หรือเพื่อให้เห็นว่าคุณมีมนโนกรรมในช่วง ท, ท้ายเป็นการผูกใจไว้กับการสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่เคยทราบก็ขอให้ทราบว่าบทสวดเช่นอิติปิโสคือการพันรนาคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ผู้สรรเสริญสิ่งที่สว่างอยู่ด้วยปากกับใจปากกับใจ ย่อมสว่างตามความสว่างนั้นเองจะเป็นที่มาของความสบายใจหายฟุ้งซ่านเสียได้วิธีที่หอภัยโลกโลกนี้กลหลวนวุ่นวายอยู่เป็นนิดก็โดยความกระทบกระทั่งนานาและในเมื่อทุกคนอาศัยอยู่ในโลกก็ย่อมต้องถูกโลกกระทบกระทั่งเป็นธรรมดา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 โยงใ่ระหว่างใจกันอีกแล้วนะคุณจะชื่นมืน่นเห็นความเป็นโมคะแห่งภายเวนมากขึ้นเรื่อยๆจนสว่างจ้าออกมาจากกลางใจชัดเจนทีเดียววิธีที่6ฝึกสติก่อนหลับตายอย่างคนหมดตัวตายอย่างคนไร้ญาติไม่เลวร้ายเท่าตายอย่างคนขาดสติ หากหมอบอกว่าคุณเหลือเวลาอีกไม่มากนั่นก็คือคุณไม่มีทางพยากรว่าการหลับครั้งใดจะเป็นการหลับครั้งสุดท้ายไม่มีสิ่งใดเป็นหลักประกันว่าหลับลงครั้งต่อไปคุณจะได้ตื่นขึ้นมาอีกหรือเปล่าแม้สำหรับคนที่บอกตัวเองว่ายังอยู่ได้อีกนานเขาก็ยังหลับทั้งคิดว่าจะต้องตื่น แต่ลงเอยตอนเช้าก็ทิ้งร่างที่ปราศจากวิญญาณเป็นภาระให้คนข้างหลังช่วยกันแบกลงจากเตียงไปเข้าโรงกันสำหาอะไรกับคนที่หมอรับรองว่าใกล้ตายเข้าไปทุกทีละ่ะแต่ละวันมีการตายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทั่วโลกเป็นจำนวนมากใช่ว่าแค่สิบคนใช่ว่าแค่ร้อยคน ใช่ว่าแค่พันคนแต่นับได้เป็นแสนฉะนั้นการฝึกสติไว้ซึ่ตั้งแต่ยังมีสติให้ฝึกจึงเป็นนโยบายที่ดีที่สุดนับว่ารอบครอบที่สุดการหมดสติเพื่อหลับกับการหมดสติเพื่อตายมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือหมดสติฉะนั้นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ แห่งการใกล้หมดสติหากฝึกตั้งสติไปจนถึงเสี่ยววินาทีสุดท้ายย่อมเป็นกําไรย่อมเป็นการกลั่นค่าของชีวิตมาใช้จนถึงที่สุดสติที่ยอดเยี่ยมทางพุทธคือสติระลึกรู้ความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเมื่อกําลังรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของสิ่งใดง<อ>ก็จะค่อยๆรู้ชัดขึ้นทุกทีว่า สิ่งนั้นเป็นสมบัติของความตายไม่ใช่สมบัติของตัวตนก่อนสติใกล้ดับไม่ว่าดับเป็นหรือดับตายสิ่งที่เหลือให้ระลึกได้ชัดไม่มีอะไรเกินไปกว่าลมหายใจอีกแล้วด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงให้ระลึกถึงลมหายใจบ่อยๆเป็นการสร้างความคุ้นชิน ไว้กับสิ่งที่จะเป็นสาระได้ทั้งยามอยู่และยามไปหากระลึกนึกถึงลมหายใจว่าเฮือกนี้อาจเป็นเฮือกสุดท้ายที่คุณจะรู้กับทั้งระลึกว่าคุณอาจไม่รู้สึกถึงลมหายใจไหนๆอีกนั่นเท่ากับเป็นการซักซ้อมเตรียมตายได้ใกล้เคียงของจริงขอให้สังเกตดูเธอ หากมีสติรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกได้อย่างสบายแม้ก้าวลงสู่ความหลับในบัดนั้นก็เหมือนครึ่งหนึ่งของสติยังไม่ขาดสายหายไปไหนแม้ต้องเกิดนิมิตฝันก็เป็นนิมิตฝันอันสวยงามหรือหากจะต้องเป็นนิมิตฝันน่ากเกลียดน่ากลัวก็เหมือนสติจะยังอยู่ช่วยให้ไม่กลัวลานเกินไป และหากจะไม่เกิดในมิตฝันเลยก็จะเหลือแต่ความว่างอันแสนสบายของจิตอันสว่างรุ่งโรดอยู่นี่ก็เป็นอนิสงส์ของเศษแห่งสติถ้ายังมีโอกาสหลายคืนก่อนตายแล้วคุณใช้ทุกคืนให้คุ้มไม่ทิ้งว้างก็จะทราบว่าในนาทีเข้าได้เข้าเข็มจวนเจียนสิ้นเลือดสิ้นเนื้อ น, นั่นเองว่า ไม่มีอะไรในโลกเป็นที่พึ่งได้ดีกว่าสติผู้มีสติก้าวลงสู่ความตายคือผู้สบายใจว่าตนมีที่พึ่งให้ตัวเองแน่วิธีที่7ปล่อยวางทุกสิ่งสภาพที่เหมือนยังอยู่ได้อีกนานจะชวนให้หลงนึกว่าทุกสิ่งเป็นจริงไปหมด อะไรอะไรเป็นของคุณไปหมดคุณจะไม่มีซักแวบที่เอกใจคิดว่าเวลาในชีวิตเหลือน้อยลงทุกวินาทีทีละคืบทีละคลานกระทั่งเวลาในชีวิตที่เหลืออยู่นับได้เป็นวันหรือนับได้เป็นชั่วโมงเมื่อ น, นั้นสภาพใกล้ตายจะฟ้องชัดว่ากลยใจในชาตินี้หาใช่สมบัติที่แท้จริงของคุณไม่ ก็แม้ชีวิตยังไม่ใช่ของคุณและอะไรในชีวิตที่กวรอ้างว่าเป็นของคุณได้ละ่ะความเกิดและความตายแห่งสรร พ, พสิ่งเริ่มต้นมาจากไหนก็ไม่รู้จะกวาดนี้เกิดมาได้อย่างไรและจะตายไปด้วยท่าไหนก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในระหว่างหมู่นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้จบคิดไปคิดมาก็น่าฉุกคิดว่า ความไม่รู้นั่นแหละอาจก่อให้มีการเกิดการตายขึ้นมาถ้ารู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรไม่ให้ตายเศรษฐีที่กำลังได้ดีมีสุขคงรีบทำและในทางกลับ ก, กันเป็นตรงข้ามถ้ารู้ว่าแก้ไขอย่างไรไม่ให้เกิดยาจบที่กำลังยากเข็นเป็นทุกข์คงไม่รอช้าจนสายเกินไป ถ้ากวาดตามองเกมยุติธรรมที่มนุษย์คิดขึ้นเล่นกันเองจะเห็นว่าทุกเกมให้โอกาสเลือกแต่แรกว่าจะเล่นหรือไม่เล่นทว่าเกมแห่งการเกิดการตายนั้นไม่ใช่จู่ๆก็ให้ลงสนามเลยลงมาเสร็จคอยรู้ว่าต้องเล่นเกมโหดหรือเกมหาหากมองการเกิดการตาย เป็นเกมที่ต้องเล่นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดคุณจะเห็นทางเดียวที่จะไม่ต้องตายก็คือต้องไม่เกิดเพราะเกิดขึ้นแล้วอย่างไรก็หลีกหนีความตายไปไม่พ้นต่อให้อาศัยเทคโนโลยีแช่แข็งต่อให้อาศัยเทคโนโลยีปลูกถ่ายอวัยวะหรือต่อให้อาศัยเทคนิคทางสมาธิชั้นสูงเพื่อชะลอความแก่แบบใดๆ สุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีหรือถึงไม่ตายก็คงไม่มีใครอยากทนจำเจยอยู่กับความเป็นอมตะอย่างไร้ญาติมิตรหรือปราศจากจุดหมายปลายทางของการเป็นอมตะอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายดอยู่ดีธรรมชาติคือธรรมชาติถือกําเนิดเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจุบันประกอบประชุมกันเกิดแล้วไม่ช้าก็เร็วต้องดับลงเป็นธรรมดา ธรรมชาติแห่งความมีชีวิตก็ไม่ต่างไปชีวิตหาใช่ดํารงอยู่เพื่อการเป็นอมตะไม่แท้จริงแล้วชีวิตดํารงอยู่ด้วยพลังของเหตุผลเมื่อหมดเหตุผลที่จะดํารงอยู่ก็ต้องเสื่อมสลายไปสู่ความเป็นอื่นในที่สุดบางคนทําใจได้กับการตายจากไปของตัวเองแต่กลับทําใจไม่ได้ กับการมีชีวิตอยู่ของคนข้างหลังนั่นเป็นเครื่องชี้ว่าการทำใจควรครอบคลุมให้ทั่วทั้งหมดไม่ใช่ทำใจได้เฉพาะส่วนของตัวเองแต่ต้องทำใจให้หายห่วงได้กับการอยู่และการสิ้นไปของคนอื่นด้วยเช่นกันแค่เอาตัวเองเป็นตัวตั้งคุณก็คิดต่อได้แล้วว่าตัวเราเป็นอย่างไรคนอื่นก็อย่างนั้น ในเมื่อคุณต้องตายนึกหรือว่าคนอื่นจะอยู่รอดปลอดภัยคนจัดเงื้อมือของมัจจุราชไปได้อย่างไรวันหนึ่งพวกเขาก็ต้องตายตามคุณหายไปจากโลกนี้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เหลือใครไว้ห่วงใครเลยสักคนแม้ความมีความเป็นในอนาคตหลังความตายก็เช่นกันถ้ายังมีเกิดอีกก็แปลว่ายัางต้องมีตายอีก จึงควรรู้ให้ได้ก่อนสิ้นลมว่าที่ต้องเกิดก็เพราะไม่รู้หลงนึกว่ามีเราตัวหนึ่งเคยเกิดมาหลงนึกว่ามีเราตัวนั้นกำลังจะตายไปและหลงนึกว่ามีเราตัวอื่นไปเกิดใหม่หากกลับความเห็นเสียได้ทันตายทำความรู้สึกเข้ามาที่กายอันกำลังปรากฏอยู่ ในอิริยาบถปัจจุบันนี้และเปลี่ยนจากความไม่รู้มาเป็นความรู้ว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีตัวคุณเกิดมีแต่กายใจชุดหนึ่งประชุมกันเกิดและที่กำลังจะต้องเผชิญก็หาใช่ความตายของคุณไม่มีแต่กายใจชุดหนึ่งแยกตัวกันสู่ความดับเมื่อนั้นจิตย่อมเป็นอิสระที่จะดับลง โดยไม่ต้องมีจิตดวงใหม่อุบัติขึ้นเพื่อสืบสายความเข้าใจผิดกันต่อตราบใดยังมีจิตดวงใหม่อุบัติขึ้นก็ต้องเข้าไปประชุมกับรูปกายใหม่ร่ำไปเพื่อชดใช้ความไม่รู้และความสำคัญผิดไม่เลิกราความสบายใจที่เกิดจากการปล่อยวางได้ทุกสิ่งด้วยการกำจัดอวิชชา ด้วยการเปลี่ยนความไม่รู้เป็นความรู้แจ้งนับเป็นความสบายใจขั้นสูงสุดเหมือนคุณได้ลิ้มอีกรถหนึ่งที่ประหลาดและแตกต่างไปกว่าเคยขอเพียงรู้จักรถนั้นครั้งเดียวก็แปลว่าคุ้มทั้งชีวิตคุณแน่แท้แล้วคุณจะไม่เสียดายแม้ต้องตายไปเดี๋ยวนี้ หัวข้อบุญแค่ไหนถึงได้ไปสวรรค์นแน่สวรรค์และนรกคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นระหว่างมีชีวิตและไปพบผลงานของตัวเองหลังจากสิ้นชีวิตลงพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้เที่ยงที่จะถึงสวรรค์ได้แก่อริยะบุคคลนับแต่โสดาบันขึ้นไป เมื่อเป็นโสดาบันบุคคลแล้วเป็นอันปิดอบายถาวอนอันว่าโสดาบันบุคคลนั้นต่อให้ปรารถนาจะมาบำเพ็ญบารมีต่อในโลกมนุษย์อย่างน้อยตายไปก็ได้พักบนสวรรค์ก่อนอย่างแน่นอนจิตของโสดาบันบุคคลมีดีอย่างไรจึงปิดอบายได้มีดีตรงที่ไม่มีแนวโน้มจะเป็นสหายแห่งสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉาน เปรตหรืออสุรกายใดๆเพราะธรรมะฝ่ายมืดอันจะนำไปสู่อบายภูมิขาดสิ้นแล้วกล่าวคือนอกจากจะไม่ก่อบาปด้วยกายและวาจายังเป็นผู้ไม่ละเมิดศีลห้าด้วยใจอีกด้วยจึงมีความผ่องแพ้วอยู่หมดความผูกพันกับอบายมีแต่ความสัมพันธ์อันดีกับสวงสวรรค์กับมนุษยโโลกเท่านั้น ผู้เที่ยงที่จะถึงสวรรค์เช่นโสดาบันบุคคลเขาทำกันอย่างไรจึงได้บรรดาศักิ์ประกันความปลอดภัยเช่นนั้นมาคำตอบคือต้องมีน้ำใจให้ทานมีจิตอันงามสะอาดสมศักดิ์ศรีผู้ทรงศรีลและสำคัญที่สุดคือต่อยอดจิตดีๆที่มีอยู่แล้วนั้นจเจริญสติกระทั่งเห็นความจริงอันประเสริฐนั่นคือ กายใจนี้ไม่เที่ยงจนรู้สึกชัดว่าไม่มีตัวตนมีแต่ตัวรูปธรรมเช่นกายมีตัวนามาธรรมเช่นจิตปรุงกันไปปรุงกันมาชั่วคราวที่รู้สึกว่าเป็นเราๆอยู่นี้ก็แค่อุปาทานอาการสําคัญผิดไปเป็นขณะขณะของจิตเท่านั้นที่จะรู้ชัดซึ่งความจริงอันประเสรศิฐถึงขนาดที่เกิดปรากฏการบรรลุธรรม จิตสว่างล้างความเห็นผิดได้นั้นคนคนหนึ่งต้องเจริญสตินานพอจะมีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในอาการรู้เห็นความจริงในกายใจได้เป็นปกติไม่ใช่ทำสมาธิแช่นิ่งหรือเดินไปเดินมาในลู่ทางจงกรมแค่ประเดียวประดาวพระพุทธเจ้าถึงตรัสบอกว่าการบรรลุให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานไม่ใช่ของง่าย ไม่ใช่อาศัยความเพียรเพียงเล็กน้อยก็สำเร็จกันคำถามคือถ้ายัางเจริญสติไม่ได้ถึงความเป็นโสดาบันบุคคลกาลยานชนทั้งหลายควรมีดีแค่ไหนจึงเป็นอันตัดสินได้ว่าจะปิดอบายอย่างน้อยสักชาติหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีที่พึ่งให้ตนเองได้ คือผู้ที่มีจิตตั้งมั่นแล้วในศรัทธาตั้งมั่นแล้วในทานและตั้งมั่นแล้วในศีลถ้าศรัทธาตั้งมั่นทานตั้งมั่นและศีลตั้งมั่นก็เปรียบเหมือนผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางสู่สุขติภูมิหรือนิพพานนั่นเองเพื่อย่นย่อให้เห็นภาพง่ายดูกันแค่ว่าในความเป็นเรานี้ จิตมีปกติเป็นดีหรือเป็นร้ายก็ได้นั่นเพราะปกติของจิตเป็นอย่างไรภาวะที่รอรับเราอยู่ก็เป็นอย่างนั้นเอาจุดที่ยั่วมโมโหได้ที่สุดเราหลุดหรือเรายังอยู่กับสติได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าใจดีตอนหิวถ้าไม่แอบด่าตอนโกรธก็พยากรณ์ได้ว่าคุณจะไม่ฝันร้าย ตายไปไม่มีทางเจอนรกสิ่งที่คงเป็นคำถามขึ้นมาในใจทันทีคือมันยากนะจะให้ใจดีตอนหิวจะให้ไม่แอ บ, บด่าตอนโกรธก็ยากนะสิครับถ้า ง, ง่ายก็คงไปสวรรค์กันหมดแล้วของดีในโลกหายากพอตายไปจะรู้ว่าของดีนอกโลกยิ่งหายากกว่านั่นก็เพราะ ต้นเหตุดีๆไม่ได้มีกันบ่อยๆนั่นเองทางที่ถูกคือควรเอากรรมอันทรรมได้ยากมาเป็นเครื่องหมายของความดีเพื่อจะได้เกิดแรงบันดาลใจอยากพยายามไปให้ถึงการมีเป้าสูงๆไว้ให้เลงนั้นแม้ปีนขึ้นไปไม่ถึงอย่างน้อยเท้าเราก็พ้นจากสายดูดขึ้นมาสักนิดหนึ่ง การมองขึ้นฟ้าแม้ดูเป็นไปไม่ได้ในวาระแรกที่ยังคิดวิธีบินไม่ออกอย่างน้อยก็ดีกว่ามองดินโคลนและคิดแต่จะย่าไปย่ามาอยู่แถวนั้นการคิดถึงสวรรค์แม้ไม่ทราบว่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่าอย่างน้อยก็มีแก่ใจใช้ชีวิตเพื่อสร้างทางสวรรค์มิฉะนั้น ก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นจุดหมายปลายทางในการใช้ชีวิตดีจริงไหมสวรรค์เริ่มปรากฏรำไรให้รู้สึกได้ด้วยความใจเย็นเป็นธรรมสัมผัสได้ด้วยตนเองว่าแม้ใจยังถูกล้อมกรอบด้วยไอร้อนของเหล่าคนกิเลสหนาะก็เหมือนใจของเราถอยห่างออกมามากแล้วคำถามคือ จะทำอย่างไรให้จิตเย็นและมีสติอยู่ได้ในขณะเจอเสียงต่อว่าอันประกอบด้วยเหตุผลก็ตามหรือเสียงด่าทอที่ไร้เหตุผลก็ตามคำตอบคือยอมรับไปว่าจิตร้อนและอาศัยจิตร้อนๆในแต่ละครั้งนั่นเองเป็นแบบฝึกหัดโดยทำความเข้าใจไว้ให้ดีว่าเมื่อใดที่ใจมีสติ เมื่อนั้นความเย็นจะเกิดขึ้นก็ลาสติมาจากไหนสติคือความสามารถในการระลึกรู้ได้ถึงสิ่งที่กําลังมีอยู่เป็นอยู่ฉะนั้นแม้เมื่อความร้อนกายร้อนใจเกิดขึ้นยามโกรธขอเพียงคุณยอมรับความจริงว่ากําลังร้อนเพียงเท่านั้นก็นับได้ว่าสติเกิดขึ้นแล้ว และอาการเย็นลงจะตามมาเองเป็นเงาตามตัวแน่แล้วความเย็นลงแม้เพียงเล็กน้อยคือความสามารถคือโอกาสที่คุณจะเห็นว่าความโกรธเป็นของลดระดับได้ความโกรธแสดงความไม่เที่ยงได้ธรรมชาติของจิตนั้นเมื่อรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของสิ่งใดจิตจะเห็นสิ่งนั้นไม่น่าเอาไม่น่าหวง ไม่น่าเกาะเกี่ยวไว้ความรู้สึกจากภายในจะเหมือนกับว่าใจถอนตัวออกมาหรืออย่างน้อยถอยห่างออกมาจากสิ่งนั้นนับว่าน่าเสียดายคนส่วนใหญ่ในโลกโชคไม่ดีที่ไม่รู้เคล็ดลับตรงนี้กันยามกโกรธจึงมีทางเลือกเพียงสองทางหนึ่งคือกดขม่มอารมณ์กโกรธเอาไว้ดื้อ จนเกิดความอึดอัดคัดแน่นเข้าไปใหญ่ 2. คือกระโจนทยานตามอารมณ์โกรธฟาดงวงฟาดงาให้พังกันไปข้างต่อเมื่อมีวาสนาพอเป็นชาวพุทธที่รู้เคล็ดวิชาถอนจิตจากความโกรธซึ่งพระพุทธเจ้าสอนไว้นานแล้วโกรธเมื่อไรใหยอมรับว่าโกรธโกรธแล้วร้อนอย่างไรใหรู้ว่าร้อนอย่างนั้น สติก็จะนําความเย็นมาแทนที่ความร้อนได้ครั้งหนึ่งยิ่งทําได้มากครั้งเท่าไรก็ยิ่งสะสมความเย็นเป็นเมตตาเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นขอเพียงจิตมีความเป็นเมตตาตั้งมั่นและยังมีสติอยู่ได้ในขณะถูกด่าทอก็จะเกิดความขี้เกียจ ด, ด่าตอบครานที่จะเอาจิตไปจมอยู่กับความสกรปรกทางภาษาไปเอง ถ้าใครขี้เกียจด่าแม้ในใจได้เรื่อยๆทุกครั้งก็แปลได้สถานเดียวว่าเราปึกจิตจนกระทั่งตั้งมั่นอยู่บนทางสวรรค์นิพพานอย่างชัดเจนประจักษ์ใจช่วงแรกๆที่ฝึกหากเมตตา ย, ยังไม่พอจะดับไฟในอกก็อาจเปลี่ยนเสียงด่าให้เป็นเสียงแห่งความเห็นใจขึ้นมาในหัวเช่นคิดว่าเขาโตมาอย่างนั้น ถ้าจะเปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนเส้นทางชีวิตทั้งหมดและเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนเกิดมาอยู่กับพ่อแม่คู่นี้ทีเดียวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะกรรมเก่าเป็นตัวการผูกมัดเขาไว้กับความเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราเปลี่ยนได้คือมุมมองและความคิดของตนเองให้เป็นไปในทางที่จะเห็นใจเขาอยู่อย่างนี้แหละ หากไม่เปลี่ยนเสียงด่าให้เป็นอื่นเราก็จะเคยชินไปเรื่อยกับการเริ่มด่าแล้วหยุดยากคือด่าซ้ำซากด่าเพิ่มเติมด่าได้ทุกเรื่องตลอดจนกระทั่งด่าไม่ต้องมีเหตุผลในครั้งต่อไปที่เจอหน้าการสั่งสมเสียงด่าไว้ในหัวเท่ากับสั่งสมไฟร้อนไว้ในจิตวิญญาณ ก็ขอให้คิดดูเอาเองว่าจิตวิญญาณที่มีไฟลุกท่วมอยู่นั้นเหมาะสมกับคำว่าอะไรระหว่างนรกกับสวรรค์ถ้าฝึกแล้วเสียงด่า ม, มันกึกก้องอยู่ข้างในก็อย่าเพิ่งท้อให้ยอมรับตามจริงไปก่อนว่าเรายังมีเสียงเพรียจากอบายในหัวอยู่บอกตัวเองอย่างนี้บ่อยๆ บ, บอกไปเรื่อยๆ ร, รับรองจะหายท้อ มีแก่ใจอยากฝึกต่อขึ้นมาเองผลพวงที่เกิดจากการเป็นคนใจดีมีเมตตาไม่มักโกรธคือมีแก่ใจใคร่รักษาสันติธรรมไม่อยากเบียดเบียนสัตว์ให้เป็นเดือดเป็นร้อนด้วยกายด้วยวาจาและแม้ด้วยใจของเราซึ่งนั่นก็เหมารวมศีลไว้ครบทุกข้อคือไม่อยากฆ่าสัตว์ไม่อยากรักทรัพย์ไม่อยากผิดกรมไม่อยากพูดร้าย ตลอดจนไม่อยากให้ใครตกอยู่ในความเสี่ยงกับการเป็นคนขี้เล่าเมายาขาดสติของเรากระแสะความเมตตาที่เอ่อขึ้นอิ่มแล้วมาพร้อมกับความสบายใจเสมอรัศมีความสบายใจที่กระจายออกไปให้ผู้อื่นรู้สึกได้คือจุดเริ่มต้นของการแผ่เมตตาหากนึกไม่ออกว่าแผ่เมตตามีลักษณะอย่างไร ขอให้เอาความสบายใจของคุณเองเป็นตัวตั้งและพูดอะไรก็ได้ด้วยความปรารถนาให้คนอื่นสบายใจตามคุณคุณจะรู้สึกถึงน้ำเสียงสีหน้าความฉลาดเลือกคําตลอดจนรัศมีสุขที่กระจายออกไปเป็นวงกว้างเหล่านั้นแหละคือเมตตาที่แผ่ออกไปการฝึกแผ่เมตตาให้เป็นสมาธิ ก็แค่ต่อยอดรักษาความสุขนั้นให้คงเส้นคงวาหรือแผ่กว้างออกไปอีกยิ่งรู้สึกนุ่มนวลขึ้นเท่าไหร่กว้างขวางขึ้นเท่าไหนก็ยิ่งเป็นสมาธิมั่นคงขึ้นประมาณนั้นผู้มีจิตเป็นเมตตาไม่คิดเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นย่อมเป็นผู้มีปกติอยู่เย็นและพร้อมจะไปเย็น สามารถประกันพบภูมิให้ตัวเองได้ด้วยความรู้สึกในชีวิตเย็นๆนั่นเองว่าไม่มีทางตายร้อนต่อให้ต้องตายด้วยความทรมานทางกายมากมายเพียงใดก็ตามหัวข้อมาฝึกยอมรับความจริงกันเถอะ ฝึกยอมรับความจริงไว้แต่เนิ่นๆเพราะยิ่งเวลาผ่านไปคุณจะยิ่งต้องยอมรับความจริงที่ไม่น่ายอมรับมากขึ้นทุกทีชีวิตบอกอะไรหลายอย่างผ่านเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละวันที่เป็นความจริงและมีสาระสำคัญให้กับเราเสมอเช่นถึงเวลาที่คนที่เรารักต้องจากไปสัตว์เลี้ยงแสนรักด่วนตายก่อนวัยอันควร หรือความรุ่งเรืองในชีวิตกลับตกต่ำลงโดยไม่คาดฝันแต่สิ่งที่เราเลือกฟังหาใช่ความจริงที่กระซิบผ่านเหตุการณ์ดีร้ายไม่แต่เป็นสิ่งที่เราอยากได้ยินอันได้แก่ฝันลมๆแรงๆที่เราอยากให้เกิดขึ้นอยากให้ใครมาตะโกนดังๆปลุกเราตอนเช้าด้วยข่าวดีเช่นบอกว่าคนตายฟื้นคืน สัตว์เลี้ยงกลับมาชีวิตดีกว่าเดิมด้วยปาฏิหาริย์แห่งสวรรค์เม่อยากฟังแต่เสียงลวงในใจไม่ใช่ความจริงที่ชีวิตพยายามบอกก็เท่ากับสร้างอันตรายทางใจให้เกิดขึ้นแล้วเพราะยิ่งแก่ตัวลงเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจอแต่เรื่องไม่น่ายอมรับมากขึ้นเรื่อยๆนับแต่ความจริงเกี่ยวกับกายใจของตนเองตลอดไปจนกระทั่ง อะไรอะไรรอบตัวทั้งหมดเลยทีเดียวคนที่ไม่เคยฝึกยอมรับอะไรอะไรไว้ฝึกแต่สะสมการไม่ยอมรับไปมากๆในที่สุดจะถึงจุดจุดหนึ่งในชีวิตที่จะต้องเสียใจไปอีกแบบเสียใจที่ยอมรับความจริงอะไรไม่ได้สักอย่างชีวิตบีบให้เราหลอกตัวเองหรือปลอบใจตัวเองไปวันวันมาตลอด ฉะนั้นหากคิดจะฝึกยอมรับความจริงก็ต้องตระหนักไว้แต่เนิ่นๆว่าไม่ใช่ของง่ายอย่าคิดว่าใช้ความรู้สึกชนิดที่รู้ๆกันอยู่และจะผ่านดังเช่นที่หลายคนคิดว่าตนฝึกยอมรับความจริงมาตลอดแต่พอเจอความจริงที่เจ็บปวดเข้าใจก็ดิ้นพลาดพลาดอึดอัดสับสนอยากร้องไห้ และขาดสติอย่างนั้นก็ขอให้เร่งเข้าใจโดยด่วนว่ายังฝึกมาไม่ถูกทางลองมาดูวิธีฝึกยอมรับความจริงของคนทั่วไปกันดูที่ยกมาเนี่ยอาจไม่ใช่ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่จะทำทำอยู่ได้แก่สั่งตัวเองให้แข็งทื่อเหมือนหุ่นยนต์ที่ต้องตอบสนองคำสั่งว่า จงดูสิ่งที่อยู่ข้างหน้าด้วยวิธีนี้คุณจะไม่ได้อะไรมากไปกว่าความรู้สึกแข็งขืนฝืนแกล้งแซงยอมรับด้วยความคิดแต่จิตยังติดค้างอยู่กับเรื่องที่ไม่อยากยอมรับไม่เลิกราอีกแนวคือปลอบตัวเองเหมือนครูสอนเด็กให้เข้าใจอะไรๆตามที่ควรจะเป็นด้วยวิธีนี้ คุณอาจรู้สึกเหมือนทำใจได้ชั่วคราวแต่ในที่สุดก็จะตระหนักซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าใจเป็นสิ่งที่แท้งทำกันไม่ได้คําปลอบอาจช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดแต่ไม่ได้รักษากันที่ต้นเหตุของความเจ็บปวดเมื่อใดรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาอีกก็ต้องสรรหาคําปลอบใหม่ๆ ม, มาใช้กันอีกและเกิดอาการดื้อยา กับคำปลอบเก่าๆเสียแล้วสรุปคือถ้าใช้วิธีไหนและผลจริงๆแค่หลอกตัวเองหรือทำให้รู้สึกดีขึ้นชั่วคราวเหล่านั้นยังห่างไกลจากการยอมรับความจริงอยู่หลายขุมสาระสำคัญของความสามารถยอมรับความจริงคือใจที่สงบนิ่ง ไม่กลับดินรนพยายามปรับเปลี่ยนความจริงให้เป็นเท็จเพื่อสนองความอยากได้เรื่องเท็จขึ้นมาอีกเพื่อเปลี่ยนจิตจากเบี้ยวบิดผิดเพี้ยนขาดความสามารถในการรับความจริงคุณต้องพูดและคิดดังนี้ประการที่หนึ่งอย่าให้จิตบิดเบี้ยวด้วยคำโกหก หรือสร้างคำขอร้องที่รู้แก่ใจว่าไม่มีใครให้กับคุณได้คำพูดมีอิทธิพลสำคัญกับจิตใครพูดบิดความจริงให้เบี้ยวสภาพของจิตก็จะเบี้ยวบิดไปด้วยขอให้ดูเถอว่าคนโกหกเก่งที่ไหนยอมรับความจริงได้บ้างวันวันเอาแต่ปั้นแต่งเรื่องที่ตนไม่ชอบใจไปในทางที่ชอบและเสริมเติมเรื่องที่ตนชอบใจ ให้เกินจริงออกไปอีกแล้วเมื่อไหร่ใจจะเสมอ ก, กันกับความจริงได้ละ่ะประการที่สองฝึกยอมรับความจริงง่ายๆต่อหน้าต่อตาจนเกิดการปรับจิตให้ตรงและขยบความสามารถในการยอมรับความจริงที่ยากขึ้นเรื่อยๆข้อนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกกันเรื่อยๆทั้งวัน เพราะตอนที่ใจไม่อยากยอมรับความจริงนั้นจะเกิดอาการคิดบิดเบือนความจริงกันทั้งวันดังนั้นถ้าจะให้อาการนั้นหยุดลงก็ต้องฝึกทั้งวันถึงค่อยเป็นอันสมน้ำสมเนื้อตามหลักการฝึกของพระพุทธเจ้านั้นท่านให้เริ่มจากการยอมรับเรื่องที่ทุกคนยอมรับได้ง่ายที่สุดนั่นคือ ลมหายใจเข้าออกความจริงที่ว่าลมหายใจกําลังเข้าหรือออกอยู่ไม่ใช่เรื่องโกเก๋และก็ไม่ใช่เรื่องน่าอับอายความจริงที่ว่าลมหายใจสั้นบ้างยาวบ้างไม่เท่ากันเสมอไปจัดเป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีและก็ไม่น่ายินร้ายใจจะเฉยเฉยเสมอเมื่อรับรู้ความจริงนั้น แต่การรับรู้ความจริงนั้นเรื่อยๆนั่นเองกลับทรงคุณค่าอย่างใหญ่หลวงเพราะการรู้ความจริงเรื่อยๆแปลว่าสติเกิดอยู่เรื่อยๆและเมื่อสติเกิดด้วยความไม่ยินดียินร้ายอยู่เรื่อยๆสภาพจิตก็ถูกดัดให้ตรงไม่เบี้ยวบิดผิดเพี้ยนเห็นได้ง่ายๆว่าเมื่อจิตตรงดีแล้วย่อมเกิดความรู้สึกทานอง จะฝืนความจริงให้เหนื่อยเปล่าไปทําไมขึ้นมาแทนความทุรนทุรายอยากได้ในสิ่งที่มีไม่ได้โลกนี้ไม่มีอะไรน่ายอมรับเท่ากับลมหายใจเข้าออกโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีเท่ากับลมหายใจเข้าออกโลกนี้ไม่มีอะไรติดตัวเราตลอดเวลาเท่ากับลมหายใจเข้าออกเรามีโอกาสฝึกยอมรับลมหายใจตามจริง ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจยาวรู้หายใจสั้นรู้เมื่อรู้ได้เรื่อยๆก็จะเก่งในการอยู่กับปัจจุบันขึ้นเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งคุณจะค่อยๆสามารถขยายขอบเขตไปยอมรับความจริงที่รู้ยากขึ้นเช่น กำลังอึดอัดหรือสบายอยู่ขณะบีลมหายใจนี้เลี้ยงชีวิตอยู่การยอมรับว่ากําลังอึดอัดหรือสบายไม่ใช่เรื่องหน้าปฏิเสธไม่จําเป็นต้องมีกลไกปกป้องตัวเองอึดอัดก็รับไปง่ายๆว่าอึดอัดสบายก็รับไปเฉยๆว่าสบายไม่มีการได้หน้าหรือเสียหน้ากับตนเองแต่อย่างใด ลมหายใจที่มาพร้อมกับความอึดอัดเมื่อถูกยอมรับตามจริงจะกลายเป็นลมหายใจที่สบายขึ้นและนั่นก็อาจเป็นจุดตั้งต้นในการสังเกตได้ถูกว่าลมหายใจที่มาพร้อมกับความอยากสบายก็อาจกลายเป็นลมหายใจที่อึดอัดไปคุณจะเริ่มสังเกตออกว่า ยิ่งอยากให้อะไรอะไรเป็นตรงข้ามกับความจริงมากขึ้นเท่าใดความอึดอัดเป็นทุกข์ก็จะยิ่งทวีขึ้นเป็นเงาตามตัวในทางกลับกันยิ่งความอยากหายไปเท่าใดยอมรับความจริงโดยดุษฎีได้แค่ไหนใจก็ยิ่งสงบเย็นสบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นเท่านั้น ความสามารถในการยอมรับตามจริงของคุณจะพัฒนาขึ้นไปอีกคราวเนี้ยสามารถรับได้ว่าจิตกำลังสงบหรือฟุ้งซ่านปกติคนเราจะไม่อยากยอมรับความฟุ้งซ่านเพราะความฟุ้งซ่านเป็นเรื่องน่ารำคาญแสดงถึงความไม่เอาไหนจำไว้เป็นข้อสังเกตว่าอาการปฏิเสธว่าคุณกำลังฟุ้งซ่าน จะมาพร้อมกับความอยากหายฟุ้งซ่านอยากควบคุมความคิดตัวเองให้ได้ต่อเมื่อสั่งสมความสามารถในการยอมรับความจริงมาเพียงพอคุณจะรู้สึกว่าความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นได้ในลมหายใจใดลมหายใจหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดานั่นเองความอยากหายฟุ้งซ่านจะไม่เกิดอาการอยากควบคุมความคิดจะไม่มี คุณจะเริ่มมีความสุขกับการเห็นความจริงว่าเมื่อใดฟุ้งซ่านแล้วยอมรับอย่างมีสติว่ากำลังฟุ้งซ่านที่ลมหายใจนี้ภายในลมหายใจต่อมานั่นเองสภาพความฟุ้งซ่านจะเบาบางลงให้เห็นอย่างถนัดแม้เมื่อความฟุ้งซ่านวนกลับมาอีกในลมหายใจต่อมาคุณก็จะไม่อนาทอร้อนใจ ไม่เร่งรัดให้ความฟุ้งซ่านหายไปศักแต่ยอมรับตามจริงอีกและอีกถึงตรงนี้แหละคุณจะสามารถยอมรับความจริงที่ซับซ้อนกว่านั้นได้แถมง่ายดายอย่างน่าแปลกใจนอกจากเอาชนะความฟุ้งซ่านได้สำเร็จคุณจะพบความสามารถเอาชนะความหดหู่ได้เช่นกัน กล่าวคือเมื่อใจเกิดความหดหูคุณจะเห็นว่าความรู้สึกหดหูมันสร้างมโนภาพบางอย่างขึ้นมาในใจคล้ายเด็กน้อยหน้าตาซึมท่าทางจอยต่อให้ร่างกายใหญ่โตก็เหมือนหดลงเหลือตัวเล็กนิดเดียวพอฝึกยอมรับความจริงเกี่ยวกับอาการจิตหดและมโนภาพเล็กจ้อยที่เกิดขึ้นในใจได้บ่อย จะเกิดอาการพลิกกลับเหมือนเหรียญเปลี่ยนจากก้อยเป็นหัวเมื่อหดหูถึงที่สุดก็กลับตลปัดกลายเป็นความกระตือรือร้นในการเริ่มทําสิ่งที่น่ายอมรับมากกว่ากันทําได้ทั้งหมดนี้จะเห็นว่าการยอมรับตามจริงก็คือความสามารถเห็นอนิจจงยิ่งยอมรับได้มากขึ้นเท่าใด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 โลกก็จำแต่คุณธรรมเด่นของท่านเมื่อพูดถึงพระเจ้าอาโศกมหาราชก็จะพูดถึงความเป็นอัครศาสนูปธรรมพกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพุทธศาสนาไม่ค่อยมีคนพูดถึงความโหดเหี้ยมในครั้งตะลุยปราบโลกเพื่อขยายพระราชอาณาจักรกันหรือแม้จะพูดบ้างก็พูดว่าถ้าท่านไม่ปราบโลก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 ว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ไปแน่ๆไม่สงสัยเลยหัวข้อคนทำชั่วจะกลัวที่นอนคำโปรยเตียงนอนในบางคืนก็เป็นแท่นตัดสินลงโทษหรือตกรางวัลให้กับความดีความชั่วในช่วงวันที่ผ่านมาได้เท่าสวรรค์และนรก บางคนทำชั่วมากๆและกลัวที่นอนนอนที่ไรฝันร้ายทุกทีหรืออย่างเบาก็นอนไม่หลับต่อเนื่องกันเนิ่นนานเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ควรกล่าวว่าความฝันเป็นเรื่องเลวไหลตรงข้ามควรให้ข้าว่าเป็นเรื่องจริงจังเป็นหลักฐานอันหนักแน่นของผลแห่งกรรม เป็นพบภูมิอายุสั้นในชั่วข้ามคืนซึ่งแสดงให้เราดูตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องตายดับไปเสียก่อนอาจกล่าวว่าฝันร้ายๆเป็นตัวอย่างของชาติหน้าร้ายๆเหมือนหนังสั้นที่ฉายให้ดูว่าหนังยาวมีอารมณ์ประมาณไหนถ้าใครฝันร้ายบ่อยๆมันแปลว่า จิตติดพันอยู่กับวิธีปรุงแต่งความคิดแบบไร้ายๆมองอย่างคนไม่รู้จักศาสนาจะถามว่าต้องแก้ฝันร้ายด้วยการกินอะไรออกกำลังท่าไหนหรือกระทั่งไล่ผีด้วยพิธีกรรมประมาณใดแต่หากมองอย่างคนรู้จักวิธีการในพุทธศาสนาจะตั้งโจทย์ที่ตรงเป้าคือ ต้องแก้ฝันร้ายด้วยกรรมใดถ้าฝันร้ายเปรียบเหมือนความมืดก็ต้องถามว่ากรรมใดเปรียบเสมือนความสว่างที่จะมาขับไล่ความมืดขอให้คิดง่ายๆว่ากรรมทางการคิดกรรมทางการพูดตลอดจนกรรมทางการกระทําอันใดสามารถจะไขจิตให้สว่าง รู้สึกว่าโลกเปิดรู้สึกว่าสบายใจก็กรรมเหล่านั้นแหละคือคำตอบกรรมอันจะยังจิตให้เกิดความสุขสว่างสดชื่นเป็นกุศลนั้นมีอยู่มากหลายชวนให้ขี้เกียจจดจำแต่ก็มีวิธีลัดคือเรียนรู้เข้ามาที่จิตของตนเองตรงๆสังเกตง่ายๆว่า ตัดสินใจทำอะไรเลือกคำพูดใดในสถานการณ์ไหนหรือกระทั่งกำลังคิดถึงใครด้วยอาการแค้นเคืองหรืออาการไม่อยากเอาเรื่องและมีความบันเจิดโปร่งโล่งออกมาจากกลางใจก็นั่นแหละที่จะต้องจดจำไว้เป็นตัวอย่างเช่นว่าเมื่อพบหน้าศัตรูคู่อาฆาต มีใบหน้ากระตุ้นคำด่าให้ผุดขึ้นในหัวของคุณคุณจะเกิดความรู้สึกเหมือนหมอกควัน ม, มืดคลุ้มก่อตัวขึ้นในตนถ้าเพียงปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ทำอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวความมืดคลุ้มดังกล่าวจะทวีตัวขึ้นหนาแน่นกลายเป็นความอึดอัดคัดอกความคิดวกวนอยู่แต่กับเรื่องของการจิกกัดด่าทอ หรือหาวิธีทำร้ายกันต่างๆนานาความมืดชนิดนั้นแหละเกิดจากกรรมทางความคิดที่สั่งสมแล้วกลายเป็นปัจจัยให้เกิดฟันร้ายได้บ่อยๆแต่หากในสถานการณ์เดียวกันเมื่อพบศัตรูคู่อาฆาตแล้วกระตุ้นให้เกิดคำด่านในหัวของคุณแล้วหรือกระทั่ง เกิดอาการคันขยิกขึ้นกลาง อ, อกกลางใจแล้วคุณมีกรรมทางความคิดเกิดขึ้นใหม่คือเห็นตามจริงว่าความมืดทางวิญญาณเป็นของไม่ดีเป็นต้นเหตุของฝันร้ายเป็นความอึดอัดคัดแน่นที่สูญเปล่าหาสาระมิได้แล้วเกิดอาการตาสว่างเห็นโทษเห็นภัยของอากุศลจิต ที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วละอกุศล น, นั้นเสียได้ความคุมแค้นแน่นอกหายไปกลายเป็นสบายใจปโปร่งโลง่งบันดาลแต่ความคิดด้านดีขึ้นมาแทนอาการตาสว่างนั้นแหละคือผลของมโนกรรมในทางที่เป็นกุศลในทางที่ก่อให้เกิดสติหลังจากสั่งสมมากครั้งเพียงพอแล้ว ก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดฝันดีขึ้นมาได้ผู้ที่สั่งสมมโนกรรมอันสว่างสดใสมีฤทธิ์ในการชะล้างสะสางความป่วยทางจิตยามตื่นย่อมเอ่นกายลงนอนอย่างผู้มีความเบาตัวเบาใจสุขสบายหายห่วงไม่คิดฟุ้งซ่านจับจดไปถึงเรื่องอื่นๆ เพียงถ้าน้ำหนักแห่งความสุขมากพอจะปักหลักอยู่กับที่ไม่เลือนหายไปเร็วนักคุณจะพบประสบการณ์การนอนอย่างสบายใจพยากรณ์ตนเองได้ว่าอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้าหลังจากหลับสนิทจะต้องเกิดการปรุงแต่งจิตในทางที่แช่มชื่นน่าชอบใจเป็นแน่แล้วคุณจะรู้ด้วยตนเองอย่างประจักษ์แจ้งว่าคนทาดี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 ให้ชีวิตร่วงหล่นถลําลึกลงไปกว่านั้นอีกเมื่อธรรมะช่วยประคองไม่ให้ทำผิดคิดพลาดได้ไม่ช้าไม่นานต่อมาคุณจะพบว่าตัวเองค่อยๆอยู่ท่ามกลางทางออกของปัญหาซึ่งแต่เดิมอาจมองไม่เห็นเลยสักทางเดียวเพราะจิต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 ก็คือการหาแพะรับบาปส่วนลึกหวังจะลากคนผิดสักคนมาลงโทษโดยข้อหาที่ว่าทำชีวิตฉันให้มีอันต้องทุกข์ทรมานปานนั้นแพะรับบาปหลักๆจะหนีไม่พ้นพ่อและแม่ที่ทำให้เกิดมาแต่เลี้ยงแบบทิ้งๆิ้งคว้างคางหรือหนักกว่านั้น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 ขอให้ดูจากยุคอินเทอร์เนต็ตเนี่ยที่คนในโลกมีโอกาสระบายความอึดอัดอย่างเสรีพอพบกระทู้ที่ยกเอานักการเมืองหรือคนดังขึ้นมาเป็นเป้าล่อก็จะรีบเข้าไประบายของเสียกันด้วยคำด่ายกใหญ่ราวกับใครคนนั้นเป็นผู้ทำให้ชีวิตข้าพเจ้าพังพินาศมาก่อนพอได้ทีจึงต้องขอเอาคืนบ้าง เรื่องของเรื่องถ้ามีใครพลาดไปมีภาพเสียให้หายหรือถูกสื่อมวลชนวาดภาพเป็นพยามานภาพนั้นจะไปกระตุ้นต่อมอยากเห็นแพะโดนประชาทันขึ้นมาซึ่งถ้ามีการร่วมกระทึบดาทอสาเสียเทเสียกันอย่างคึกคักก็จะรู้สึกคลื้นเครงสมใจสะใจเหมือนได้แก้แค้นทั้งที่ไม่เคยรู้จัก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 คือทุ่มเทกับการใช้ชีวิตในขณะนี้ไม่ใช่ใช้ชีวิตซ้ำอยู่ในหัวและไม่ใช่ใช้ชีวิตล่วงหน้าอยู่ในฝันวันไหนคุณใช้เวลานอนหกชั่วโมงก็แปลว่าวันนั้นคุณเหลือเวลาส8บปดชั่วโมงในการลืมตาตื่นคิดเป็นหนึ่งในสี่ของวัน หากนอนวันละหกชั่วโมงไปทั้งชีวิตก็แปลว่ามีอายุทั้งหมดเท่าไรให้หักออกหนึ่งในสี่เช่นสมมุติว่าอายุไขของคุณคือแปดสิบเอาเข้าจริงคุณก็มีเวลาทำอะไรเท่าที่หนึ่งสมองสองมือจะทำได้เพียงห0สิบปีเท่านั้นนี่คือความจริงนะครับชีวิตเราถูกหักอายุไปตามธรรมชาติ ความจําเป็นที่ต้องหลับต้องนอนคนตายอายุ80ไม่ใช่แปลว่าได้ใช้ชีวิต80ปีต่อให้เป็นพวกบ้างานทำงานหัวหูดับทั้งวันทั้งคืนตลอดศกก็เถอะอย่างครับไม่ใช่แค่นั้นถ้าแต่ละวันคุณเอาแต่เฝ้าเสียดายอดีตเป็นเวลาสัก3ชั่วโมงแล้วใช้เวลาอีกร่วม3ชั่วโมง ในการฟุ้งซ่านถึงอนาคตสิริรวมแล้วคุณปล่อยให้อีกหกชั่วโมงหายไปเปล่าๆโดยไม่มีการใช้ชีวิตแต่อย่างใดเพราะการใช้ชีวิตคือการเอาปัจจุบันไปทําอะไรเพิ่มไม่ใช่การนึกถึงสิ่งที่เคยทําไว้แล้วแก้ไขไม่ได้แล้วและยิ่งไม่ใช่การนึกถึงสิ่งที่ยังไม่มีสิทธรริทำ ไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่าคนทั่วไปถ้านอนหกชั่วโมงหมกมุ่นครุ้นคิดถึงอดีตกับอนาคตอีกหกชั่วโมงรวมเป็นส2สองชั่วโมงครึ่งหนึ่งของวันจึงเหลือเวลาจริงๆไว้ใช้ชีวิตเพียงครึ่งหนึ่งของอายุไขถ้านึกว่าตัวเลขนี้เกินจริงก็ลองเฝ้าสังเกตกันเอาเอง นับดูว่าเฉลี่ยแล้วคุณนอนกี่ชั่วโมงแล้วหานาฬิกามาจับเวลาว่าคุณอยากปล่อยใจให้เหม่อลอยไปหาอดีตกับอนาคตรอบละกี่นาทีกว่าที่จะดึงสติกมาอยู่กับเนื้อตัวตรงนี้หรือการงานตรงหน้าคุณอาจคิดว่าไม่เห็นจะเสียดายในเมื่อได้ใช้ชีวิตสบายๆเรื่อยเปื่อยตามความพอใจเสยอย่าง ตอนยังมีโอกาสคิดสบายสบายเรื่อยเปื่อยก็น่าจะอย่างนั้นแหละครับแต่พอถึงเวลาโดนเช็คบินตอนจบขึ้นมาที่เคยรู้สึกไม่เสียดายนั้นก็เชื่อถือว่าจะกลายเป็นแสนเสียดายจับจิตจับใจนโยบายที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นใช้ชีวิตให้คุ้มควรออกตัวจากการตกลงกับตนเองชัดๆว่า เราจะสูญเสียปัจจุบันให้กับอดีตและอนาคตน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จี้ลงไปให้ชัดๆพอรู้ตัวว่าบนอะไรเช่นสมมุติว่าย้อนเวลากลับไปได้นะต้องรีบแก้ใหม่สั่งตัวเองทันทีอย่ามัวสมมุติว่าย้อนเวลาได้จะแก้อะไรดีแต่สมมุติว่าถ้าสำนึกได้เดี๋ยวนี้ มีความคิดไหนให้เปลี่ยนบ้างอีกอย่างคือการตกลงกับตัวเองว่าจะไม่กังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้หรือวันหน้าแต่จะขยันทำทุกอย่างในวันนี้เพื่อให้สบายใจว่าได้ทำรากของวันพรุ่งนี้ไว้ดีที่สุดแล้วถ้าจะต้องเอาวันนี้ไปเกี่ยวข้องกับวันหน้า ก็คือคิดอ่านวางแผนไม่ใช่ให้ถูกพรุ่งนี้ปล้นด้วยอาการกลุ้มเปล่าหลังจากตกลงใจได้ว่าจะเอาแต่วันนี้เมื่อวานไม่เอาพรุ่งนี้ไม่เอาคุณจะพบว่าการหลงใช้ชีวิตแบบสมมติว่าหายไปกลายเป็นใช้ชีวิตแบบมีอะไรต้องทำเสียดาย หากคุณตกลงใจแล้วแต่ยังคงติดอยู่ในอดีตและถูกดูดไปหาอนาคตก็ต้องสำรวจดูว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นสำรวจความคิดตัวเองจับให้ได้ไล่ให้ทันว่าถ้ารวมความคิดทั้งหมดเป็นกลุ่มก้อนและกรองให้เหลือคำคาเดียวมันคือคำว่าอะไร ยกตัวอย่างเช่นถ้ารู้ตัวว่ากำลังโดนบั่นทอนกำลังใจลองหาคำสำคัญจากในหัวของตัวเองดูคุณจะพบว่ามีคำบางคำผุดขึ้นมาบ่อยกว่าคำอื่นเช่นเป็นไปไม่ได้หรอกคำคำนี้ยอาจเป็นเสียงออกมาจากปากของคนอื่นแต่เวลาที่มันแปลเป็นความคิดของคุณเอง ก็มักมีการเสริมเติมคำใหม่ๆเข้าไปเช่นทำไม่ได้หรอกไม่ต้องพยายามหรอกถ้าเป็นเช่นนี้ก็ต้องสังเกตดูตามความเป็นจริงเอาของจริงในหัวมาตีแผ่จนกว่าจะเข้าใจว่าเสียงจากอดีตความกังวลเกี่ยวกับอนาคตใดๆที่ยับยั้งคุณไว้จากการลงมือใช้ปัจจุบันให้คุ้ม ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งศูนย์เปล่ายิ่งให้ค่ามันมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งลดค่าชีวิตลงเท่านั้นอาการตาสว่างที่เกิดขึ้นจะช่วยให้คุณรู้ชัดว่าเสียงใครบั่นทอนกำลังใจเราก็ไม่เท่าเสียงในหัวบั่นทอนกำลังใจตัวเองหลังจากตาสว่างมากพอ คุณจะพบว่าตัวเองใช้ชีวิตได้คุ้มขึ้นและตระหนักว่าชีวิตที่คุ้มที่สุดคือชีวิตที่มีแต่ปัจจุบันดีๆอยู่ในใจมากที่สุดไม่ปล่อยให้ใจกรรมอดีตเน่าๆตลอดจนอนาคตเสียๆไว้อย่างสูญเปล่าแม้เมื่อตาสว่างแล้วจะเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งวันในชีวิตนี้ ก็จะเป็นเวลาหนึ่งวันจริงๆกลั่นเอาประโยชน์จากทุกนาทีให้มากที่สุดไม่หยุดชีวิตอยู่กับการห่วงไปข้างหลังหรือแม้กระทั่งหวังไปข้างหน้าหนึ่งวันอันทรงคุณค่าอาจเทียบได้กับหนึ่งปีหรือหนึ่งร้อยปีที่สูญเปล่าของคนอื่นพระพุทธเจ้าเคยตรัสเปรียบเทียบ คุณค่าของอายุไว้อย่างน่าจดจำดังนี้ผู้มีความเด็ดเดี่ยวในการรักษาศีลมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนทุศีลจิตใจไม่มั่นคงที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีผู้มีปัญญาแน่วแน่พิจารณาธรรมมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนไร้ปัญญาจิตใจไม่มั่นคง ที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีผู้ตั้งใจประกอบความเพียรมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนเกียรติครา n ที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีผู้พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนไม่พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีผู้พิจารณาเห็นทางดับทุกข์ได้ถาวรมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนไม่พิจารณาเห็นทางดับทุกข์ได้ถาวรที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีผู้พิจารณาเห็นธรรมะขั้นสูงสุดมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่า คนไม่พิจารณาเห็นธรรมะขั้นสูงสุดที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีหัวข้อทำบุญครั้งสุดท้ายขณะตายที่กำลังจะต้องทิ้งโลกทั้งใบไปเป็นช่วงเวลาค้นพบความจริงว่าทุกสิ่งที่เคยมีคือของหลอก แต่กรรมทุกอย่างที่ทำมาคือของจริงของหลอกหรือของปลอมคือสิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่เห็นจริงๆต้องเลอะเลือนปรวนแปร ى, หรือปฏิรูปไปเป็นอื่นส่วนของจริงคือสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นชั่วนิรัน ของจริงในธรรมชาติมีอยู่เช่นกฎแห่งกรรมและนิพพานทุกชาติเมื่อถึงเวลาตายคือขณะแห่งการตระหนักว่าชีวิตที่ผ่านมาคือของหลอกเพราะจะไม่เหลืออะไรให้จับต้องได้อีกของจริงที่เหลืออยู่คือจิตที่ควบคุมบัญชาตัวเองไม่ได้ความทรงจำแต่หุนหลัง รวมพลกันประดังเข้ามาในหัวไม่หยุดบาปที่เคยทำอยากลืมแต่ก็ลืมไม่ลงในเมื่อมันยังตามมาเป็นตัวป่วนรบกวนจิตใจให้ซัดสายไม่เลิกบุญที่เคยทำอยากจำแต่ก็นึกให้ออกยากหน่อยในเมื่อร่างกายกำลังเรรวนชวนแต่จะคิดถึงความรุ่มร้อนทำให้ใจคอไม่ค่อยดี ไม่มีใครรู้ว่าจะได้ทําบุญครั้งสุดท้ายวันไหนมีแต่คนรู้ในวันสุดท้ายว่าทําบุญมาพอจะสบายใจมีสิทธิ์ไปดีหรื อ, อยังอันที่จริงแล้วสิ่งที่เป็นเครื่องหมายบอกว่าเราทํามาดีพอก็วัดได้จากชีวิตที่ประสบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี่แหละถ้าเกิดปัญหา เกิดเรื่องยุ่งยากเกิดเหตุให้หน้าฟุ้งซ่านรำคาญใจชวนให้คิดอกุศลแล้วคุณคิดร้ายหรือคิดดีอยากเอากุศลหรืออกุศลอยากกลับไปสู่สภาพจิตใจที่ปลอดโปร่งสบายหายห่วงหรืออยากหมกมุ่นอยู่กับสภาพจิตแย่แย่ที่เพิ่งปรากฏความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นเป็นปกติในปัญหาชีวิตประจาวัน เป็นสิ่งที่แกล้งทำให้เกิดไม่ได้มันวัดความเป็นตัวจริงบนเส้นทางเตรียมตัวตายของคุณได้อย่างดีหากเกิดปัญหาหน้ากลุ้มคุณกลุ้มแล้วแก้ได้ด้วยปัญญาแก้ได้ด้วยวิธีที่เป็นกุศลทำได้เช่นนั้นเป็นเดือนเป็นปีก็อบอกตัวเองได้เลยครับว่านั่นแหละทำบุญมาพอจะสบายใจ และมีสิทธิ์ไปดีแน่นอนแล้วถ้าแค่ตั้งใจทำบุญทำกุศลง่ายๆอยากใส่บาตรอยากช่วยเด็กและคนแก่แต่พอถึงเวลาจริงกลับชักช้าโยกโยอพี่ร่ำพี่ไร่เต็มไปด้วยข้ออ้างที่จะชะลอการบุญไว้ก่อนแบบเนี้ยก็ต้องบอกตัวเองว่ายังไม่แน่ว่าบุญพอครับ หรือหากใครรู้สึกครึ่งๆกลางๆเหมือนพยายามทําบุญทํากุศลมานานแต่ไม่เคยตอบตัวเองได้อย่างมั่นใจว่าจะไปดีก็ต้องเร่งสำรวจตัวเองครับว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนโยบายที่ดีที่สุดคือสำรวจตัวเองผ่านการเจริญสติทุกวันเพราะการเจริญสติเป็นบุญขั้นสูงสุด เมื่อไหร่ที่มีสติเป็นปกติเมื่อนั้นคุณได้ชื่อว่าทำบุญอยู่ตลอดเวลาแม้แต่อกุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นสติก็รู้เท่าทันหรืออีกนายหนึ่งคือเกิดกุศ ล, ลจิตแทนที่อกุศ ล, ลจิตเห็นภาวะมืดมนหายไปกลายเป็นผ่องใสสว่างขึ้นมาแทนสรุปคือ การจะทำบุญจนบุญติดจิตติดใจก็คือการเจริญสติจนสติเจริญขึ้นจริงกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจที่สบายจนวาระสุดท้ายนั่นแหละจะได้รู้ในวันสุดท้ายว่าไม่เสียชาติเกิดใต้ร่มพุทธะเป็นอย่างไรวิธีเจริญสติได้จนถึงนาทีสุดท้ายได้แก่ การฝึกรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกโดยความเป็นธาตุลมไม่ใช่หญิงชายไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ทําแค่นี้ก่อนถ้ารู้อย่างถูกต้องจะสบายถ้าบังคับตัวเองจะอึดอัดจากนั้นสังเกตว่า ที่หายใจเข้าและหายใจออกอยู่นั้นจัดว่ายาวหรือสั้นรู้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นหากเห็นความจริงเกี่ยวกับลมหายใจที่ปรากฏได้ตรงตามจริงให้ถือว่าทาถูกเมื่อทำถูกสักแค่เพียงสองสามนาทีใจจะเหมือนถอนความรู้สึกว่าเรากำลังหายใจเซตได้กลายเป็น เรากำลังดูธรรมชาติอันมีภาวะพัดไหวอยู่เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สัน้นตัวของจิตผู้รู้นั่นแหละที่เราต้องการก่อนตายหากเห็นลมหายใจไม่เที่ยงได้ก็สามารถเห็นความอึดอัดและสบายได้ไม่ว่าจิตหรือกายกระสับกระส่ายเพียงใด ก็รู้สึกว่าศัก์แต่เป็นสภาพความไม่เที่ยงอย่างหนึ่งปรากฏให้รู้ปรากฏให้ดูอยู่โดยไม่มีความน่าครอบครองที่รู้สึกว่าไม่น่าครอบครองเพราะจิตเริ่มฉลาดในการเห็นความจริงจึงยอมรับความจริงได้ง่ายไม่มีสิ่งใดเป็นของเราสักหน่อยสิ่งที่จะหายไป คือลมหายใจที่ออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาอีกสิ่งที่จะแตกดับคือรูปกายไม่ใช่เราที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอันปรวนแปรตลอดเวลาอยู่แล้วการไม่ยึดอะไรอะไรที่จะหายไปหรือที่จะแตกดับโดยความเป็นตัวเรานั่นแหละยอดสุดแห่งการไปดีไปถูกไปชอบ เพราะก่อนตายมีสติดีเห็นถูกต้องตามจริงตามความชอบธรรมขอให้จำไว้แม่นๆเลยครับว่าบุญใหญ่ที่จะทำได้เป็นครั้งสุดท้ายไม่ใช่ให้ทานไม่ใช่รักษาศีลแต่เป็นการเจริญสติผู้ที่ฝึกเจริญสติมาดี ย่อมหายห่วงรู้แน่แก่ตัวด้วยความอุ่นใจว่าตนมีเครื่องมือทำบุญก่อนตายอันหาได้ยากในคนตายทั่วไปแล้วชนิดที่ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องหาใครมาช่วยประกันนาทีสุดท้ายให้อีกเลยคำโปรยปกหลังความสบายใจ เป็นสิ่งแรกที่ควรมีระหว่างชีวิตยังไม่สิ้นและเป็นสิ่งสุดท้ายที่ต้องมีขณะกำลังจะสิ้นชีวิตลงจบเสียงอ่านหนังสือเจ็ดวิธีตายอย่างสบายใจงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโจ